คนที่จะเข้าใจเรื่องตายและเกิดแจมแจ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาจะต้องรู้ก็คือเรื่องโอปปาติกะคนที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับว่าโอปปาติกะมีจริงจะไม่มีทางเข้าใจว่าวิาว ญ, ญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตและจะไม่เข้าใจว่าหลังจากตายถ้าหากวิ ญ, ญญาณยังมีกิเลสวิ ญ, ญญาณจะต้องเกิดอีกและจะต้องสร้างชีวิตต่อไปอีกความรู้แจ้งในเรื่องโอปปาติกะ เป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะทำให้เข้าใจในเรื่องตายและเกิดเพราะฉะนั้นในตอนนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ท่านมองเห็นว่าโอปปาติกะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งการอธิบายในที่นี้เป็นการอธิบายสำหรับคนธรรมดาซึ่งไม่ต้องได้ทิ่พยะจาจักสุกก็สามารถที่จะเข้าใจได้ก่อนอื่นท่านจะต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่า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 ธรมิรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการจุติและปฏิสนธิยามที่สามได้ทรงบรรลุอาสวะขย้ายานยานที่ธรรมิอาสวะหมดสิ้นไปอาสวะขย้ายานก็คือยานที่รู้แจ้งเรื่องไตรลักษณ์เรื่องปฏิจจะสมุปบาทเรื่องอริยสัจขอให้สังเกตว่าเราะพระองค์ทรงระลึกชาติได้และทรงนิตาทิป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 คือจะต้องได้ฌานทั้งสและมีความชนานาญในเรื่องฌานด้วยแต่อย่างไรก็ดีคำอธิบายต่อไปนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องอุปาปิกะถึงเรื่องตายแล้วเกิดได้พอสมควรอย่างน้อยก็จะไม่ทำให้เราถึงกับลงมติอย่างเด็ดขาดว่าคนเราตายแล้วก็สูญแน่ซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงและนับว่าเป็นภัยทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมอย่างมาก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 ความฝันที่เกิดจากความคิดของตัวเองนี้ส่วนมากมักจะเกิดในตอนเคลิม้มหรือในตอนที่หลับไม่สนิทคนที่ร่างกายไม่สบายมีสิ่งรบกวนทางประสาทมากจะนอนไม่เคยหลับและฝันมากฝันไม่ได้เรื่องได้ราวตื่นขึ้นมาร่างกายก็อ่อนเพลียไม่สดชื่นรอนอนไม่เต็มอิ่มการศึกษาเรื่องโอปะปะติกะสาหรับคนทั่วไปนั้น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 คือเอามาแต่เพียงตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เคย ร, รู้ไม่เคยเห็นมาก่อน 5. ถ้าหากนอนหลับสนิทแม้ว่าเรื่องในความฝันออกมาจากความคิดของตนแต่ก็จะเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเหมือนกับคนที่มีสมาธิดีซึ่งเงินึกถึงภาพอะไรภาพนั้นก็จะปรากฏชัดเหมือนของจริง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 เพราะถ้าเป็นทิพยจักษุแล้วจะสามารถมองฟ้ามองกำแพงทะลุแต่ในขณะที่เห็นโอปปาติกาอยู่นั้นก็สามารถจะมองเห็นคนในโลกนี้ได้ด้วยโดยไม่ต้องลืมตาขึ้นมาดูเพราะเหตุที่คนที่จะรู้แจ้งเรื่องโอปปาติกาจริงๆนั้นจะต้องได้สมาธิถึงขั้นนี้แต่คนที่จะได้อย่างนี้หายากมากเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนส่วนมากเข้าใจและเชื่อเรื่องโอปปาติกะ โดยอาศัยวิธีทางสมาธิดังที่กล่าวมานี้จึงเป็นไปไม่ได้และผู้ที่สาเร็จสมาธิขั้นสูงถึงขนาดที่จะสามารถพิสูจน์ให้คนทั้งหลายเชื่ออย่างสนิทต่อหน้าชุมนุมชนก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ง่ายเลยแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าหากเราจะได้ศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องวิญ ญ, ญาณเป็นผู้สร้างชีวิตศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องกฎของกรรม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 สาเหตุแห่งความฝันมีอยู่สี่อย่างตามหลักในคำพีได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุแห่งความฝันมีอยู่สี่อย่างคือ 1. นทาตุโขภะเพรถทาตุกำเริบข้อนี้หมายความว่าคนที่ฝันนอนหลับไม่สนิทเพราะร่างกายไม่สบายมีสิ่งรบกวนทางประสาทมาก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 ซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งในตอนนี้เองเป็นโอกาสที่โอปปาติกะสามารถจะบอกเป็นคาพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือบอกเป็นปริศนาหรือแสดงภาพนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นหรือบรรดาให้เ ห, เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้อนี้บางทีเรียกว่าเทวดาสังหรณ์โปรดสังเกตว่าคำว่าเทวดาในที่นี้หมายถึงโอปปปาติกะทั่วไป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 เหตุแห่งความฝันทั้งสประการนี้มีกล่าวไว้ในคำพีสัตธรรมมาปโชติกาภาคสองท่านได้อธิบายไว้ว่าความฝันสองข้อแรกถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสพระเทวดาดลใจหรือชักจูงบางทีก็ถือเอาเป็นสาระได้แต่บางทีก็ถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสอุปพานิมิต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 ให้มีความเข้มได้แล้วก็สามารถสร้างภาพขึ้นมาในใจได้อย่างชัดเจนและถ้าหากผู้นั้นมีสมาธิสมบูรณ์ขึ้นไปอีกถึงขั้นที่มีความชำานาญในการเข้าสมาบัติ8ปดก็จะสามารถยนระมิบกายทิพย์ให้เกิดขึ้นมาได้ทันทีซึ่งผู้ที่ได้สมาธิขั้นนี้เรียกว่าได้มโนมยิทิคนที่ได้มโนมยิทินั้นสามารถที่จะสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้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 บางทีคนเราเมื่อตายแล้วอาจจะไม่ศูนย์และสําหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อดิ่งลงไปทีเดียวว่าตายแล้วศูนย์ยังเชื่อครึ่งๆกลางๆอยู่แนวความคิดที่เสนอแนะมานี้เข้าใจว่าพอจะเป็นเครื่องเตือนสติได้แลยเมื่อมีอายุมากขึ้นก็คงจะเชื่อได้อย่างสนิทว่าคนเราตายแล้วไม่ศูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อีกและบางคน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 หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ทําจิตก่อนตายให้เป็นสุขก็ได้ไปสุกติทุกคนซึ่งความจริงจิตจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก่อนตายได้นั้นไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับยังมีผลบุญผลบาปที่หากทําไว้อย่างเข้มข้นจะมาป ร, กรากฏชัดก่อนตายในแบบที่เลี่ยงไม่ได้ให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทั้งชีวิตไม่เคยทําความดีไม่เคยฝึกจิตให้ผ่องใสไม่เคยมีศรัทธาอะไรอย่างบริสุทธิ์ใจ เมื่อถึงภาวะก่อนตายกันจริงจะทำใจให้สงบเป็นสุขได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ